สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนายจ๋าอย่าสร้างเลยโครงการสร้างถนนของโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายนำถนนสู่ชนบทดังคาขวัญที่ว่าน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีตลาดทำให้รัฐบาลในยุคพศ .2515 เร่งสร้างถนนเป็นนโยบายหลัก ประกอบในยุคนั้นรัฐบาลต้องต่อสู้กับการขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยนั้นถ้าใครมีอายุประมาณเกือบเลขสี่คงจะเคยได้ยินนโยบายป่าล้อมเมืองของลัทธิดังกล่าวนโยบายป่าล้อมเมืองนั้นคอมมิวนิสต์เขาจะเข้าไปปลุกระดมมวลชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญในถิ่นที่ขาดแคลนโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาเขาจะเข้าไปผูกมิรกับชาวบ้าน และช่วยเหลือทางด้านความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันเขาก็จะโจมตีรัฐบาลว่าเห็นไหมคนในเมืองมีความสะดวกสบายไฟฟ้ามีใช้กันเปิดทีวีฟังเพลงกันอย่างมีความสุขเข้าไปดูหนังละครแสนสบายแต่พวกเรายังใช้จุดตะเกียงน้ามันถนนหนทางในเมืองหลวงรถวิ่งกันสบายดูบ้านเราสิ ถนนที่ควายยังไม่อยากเดินเลยด้วยเหตุนี้เองที่รัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องพัฒนาชนบทให้เร็วเพราะถนนเป็นสิ่งที่นำความจเจริญไปสู่ชนบทการก่อสร้างถนนทั่วประเทศไทยจึงเกิดขึ้นทันทีหมู่บ้านโพชัยเป็นหมู่บ้านหนึ่งในโครงการตัดถนนไปสู่อาเภอมันจาคีรีและเชื่อมกันถึงตัวจังหวัด การสร้างถนนสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือตัดและโค่นต้นไม้เส้นทางเป้าหมายของนายช่างเป็นป่าดงดิบเป็นเนินเป็นหลุมเป็นบ่อขุดที่ดอนที่เนินขุดที่ดอนที่เนินถมบ่อน้ําขุดบ่อทําถนนตามเส้นทางต้องใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ปรับสภาพก่อนเช่นโค่นต้นไม้ไถดะ ไม่ว่าที่เนินสารเก่าๆต้นไม้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ล้วนเรียบโลงเตียนเสียงรถแท็กเตอร์และเครื่องจักรทาถนนกันทั้งวันทั้งคืนชาวบ้านแตกตื่นตื่นเต้นระคนตกใจจูงลูกหลานพากันมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นรถไถรถแท็กเตอร์และเครื่องจักรทาถนนขนาดใหญ่กาลังไถและขุดตอไม้เป็นว่าเล่น การทำถนนสมัยก่อนใช้เวลาเป็นแรมปีกว่าจะได้ถนนความยาวแค่500เมตรเพราะอุปสรรคที่มีนานาประการอุปสรรคที่สำคัญก็คือความลีลับนายจ้างกับคนงานที่รับงานทำถนนในคราวนั้นมีเกือบ20คนเห็นจะได้เป็นผู้ชายทั้งหมดหลังจากการทำงานหนักทั้งวันตกเย็น คนงานก็กางเต็นท์นอนบริเวณที่ก่อสร้างนั้นเองด้วยความเมื่อยล้าทุกคนหลับสนิททั้งคืนคืนแรกผ่านไปด้วยดีตื่นเช้ามานายช่างพูดอย่างสบายใจว่าดีจังเลยเหตุการณ์ผ่านไปด้วยดีการสร้างถนนพราวนี้คงเสร็จเร็วก่อนกาหนดหลังจากคนงานรับประทานอาหารเช้าคนงานขึ้นประจำรถแท็กเตอร์ คนงานขึ้นประจํารถแท็กเตอร์ของตนเองตามหน้าที่บางคันโค่นต้นไม้บางคันขุดดินถมบ่อน้ำเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องไปทั่วป่าตลอดทั้งวันประมาณบ่ายสามโมงเย็นนายช่างครับนายช่างเชิญทางนี้หน่อยครับคนขับรถเป็นอะไรไม่รู้เป็นคนงานคนหนึ่งวิ่งมาเรียกพอนายช่างไปถึงก็พบรถแท็กเตอร์คันหนึ่งส ง, งบนิ่งอยู่กลางบ่อ คนขับนั่งตัวสั่นอยู่บนรถพลนายช่างเห็นก็ถึงบางอ้อทันทีเหตุการณ์แบบนี้ขอพบบ่อยๆการก่อสร้างถนนมีแบบนี้จนชินแล้วแล้วนายช่างบอกให้คนงานคนหนึ่งให้ไปที่เต็นท์นอนของเขาหยิบเอารูปเหมือนที่เป็นภาพถ่ายของสมเด็จพระปิยมหาราชพอได้แล้วนายช่างก็ถือรูปตรงไปยังรถแท็กอร์ เหตุการณ์เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นคนขับรถที่อยู่บนรถและตัวสั่นอยู่นั้นลงมาด้านล่างนั่งคุกเขา่าทำท่าเหมือนถวายบังคมปากก็พูดภาษาที่ไม่สามารถจับใจความได้แล้วเขาก็สรุไปเอาเขาไปพักก่อนแล้ววันนี้เลิกงานแค่นี้นายช่างสั่งคนงานแล้วก็เดินจากไปทุกคนในเหตุการณ์ต่างตกใจกลัว และสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นและจบไปอย่างรวดเร็วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็ไม่กล้าถามนายช่างได้แต่เก็บความสงสัยไปคิดต่อในที่พักของตนเองคืนนั้นคนงานหลับสนิทสังเกตได้จากเสียงกลน่นที่ส่งเสียงออกมาจากแต่ละเต็นดังสนั่นไม่น้อยหน้ากันเช้าตรู่คนงานขับรถที่ถูกผีเข้าเมื่อวานเข้าไปหานายช่าง แล้วก็เล่าว่านายช่างเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยทั้งคืนไม่รู้เป็นอะไรจะปลุกเพื่อนก็สงสารทํางานเหนื่อยทั้งวันแถมกลัวเพื่อนล้อว่าเป็นคนขี้กลัวเขาเล่าต่อว่าผมนอนไม่หลับก็ออกมานอกที่พักนั่งดูดบุหรี่เงียบๆคนเดียวทันใดนั้นผมเห็นเงาลางๆในความมืดมิดเด็กผู้หญิงยืนอยู่ผมคิดในใจ ว่าคนจะมาขโมยอะไรรถละมัง้งผมก็ค่อยๆแอบเดินเข้าไปตามเงาแต่ว่ามีลางบอกว่ามีคนอยู่ข้างหลังขณะที่ผมคิดว่าจะหันหลังมาดูหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อมีมือใครไม่รู้เย็นว่ามันจับที่ข้อมือขวาก่อนที่ผมจะพูดอะไรนะนะแม่ให้มาเรียกไปหาที่บ้านหน่อยแม่เขาไม่กล้ามาเสียงนั้นเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารัก ผมค่อยๆใจชื้นขึ้นมานิดนึงเด็กคนนั้นพาผมเดินไปที่ถนนที่มีแสงสลัวๆจากดวงดาวคืนค้างขึ้นได้ประมาณ150หเมตรเห็นจะได้ก็ไปพบกับบ้านหลังหนึ่งพบคนมากมายกำลังนั่งอยู่คล้ายๆกับจะประชุมอะไรกันสักอย่างมีชายคนหนึ่งแต่งตัวภูมิฐานคงจะเป็นหัวหน้าเดินมาหาผมและพูดว่า พวกคุณมาที่นี่มาทําให้พวกเราเดือดร้อนบ้านหลายหลังถูกพวกคุณทําลายหลายครอบครัวไม่มีที่อยู่คนที่เป็นพวกคุณไม่รู้หรอกบริเวณแถบนี้เป็นหมู่บ้านบ้านของพวกเราพวกคุณต้องหยุดถ้าไม่มีใครหยุดเราจะได้เห็นดีกันคุณช่วยเป็นธุระไปบอกหัวหน้าคุณด้วยนะเพราะผมอ้าปากจะพูดก็พูดไม่ออก เหมือนมีอะไรมาติดที่หลอดคอแล้วเด็กผู้หญิงคนเดิมก็ดึงแขนผมกลับและพูดว่าไปเถอะนะฉันจะไปส่งเด็กพาผมเดินมาถึงท้ายรถเขาบอกว่าแค่นี้นะผมหันมองจะพูดขอบใจแต่แทนที่จะพูดกลับขนลุกสู้แทนเพราะเด็กคนนั้นหายไปแล้วนายช่างผู้มากด้วยประสบการณ์ เข้าใจในเหตุการณ์เขาไม่อยากเสี่ยงกับความตายเสี่ยงกับความสูญเสียโดยเฉพาะกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเขาไม่กล้าคิดว่าถ้าเขาไม่ทาอะไรสักอย่างงานอาจไม่เสร็จคนงานหรือตัวเขาเองก็อาจเป็นอันตรายได้เพื่อเป็นการสร้างขวัมและสร้างกำลังใจในการทำงานเขาสั่งให้คนงานหยุดงาน แล้วระดมการสร้างสารหลังเล็กๆขึ้นมาให้มากเท่าที่จะมากได้ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็คงประมาณ200ศสารเห็นจะได้แล้วนำสารที่สร้างเสร็จมาตั้งเรียงกันเป็นสัดส่วนข้างถนนที่ก่อสร้างนำอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปไว้ในสารตั้งเครื่องเส้นไหวสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่ต้มครึ่งสุกครึ่งดิบ และเล่าขาว40ิดีกรีผลไม้นานาชนิดเป็นส่วนประกอบนายช่างเริ่มจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและอันเชิญดวงวิญญาณขึ้นสู่บ้านหลังใหม่ว่ามาที่นี่ไม่ได้ลบหลู่ล่วงเกินอะไรมาเพื่อสร้างฐานะความอยู่ดีความมั่งคั่งมาให้บุตรหลานและเชิญบริโภคอาหารเพื่อความสุขความเจริญ ทั้งผู้เชิญและผู้รับตลอดไปหลังจากทาพิธีบวงสวงเส้นไหว้เหตุการเงียบสงบเรียบร้อยดีการสร้างถนนก็ราบรื่นไม่มีผีเข้าไม่มีฝันร้ายหรือวิญญาณมารบกวนอีกเลยแต่กว่าการสร้างถนนสายนี้จะเรียบร้อยใช้งานได้ก็ใช้เวลาเกือบปีเรื่องวิญญาณสงบลงแล้วแต่กลับมีเรื่องให้นายช่างปวดหัวอีก